เมื่อเราฝึกหัดรู ก, กายภายนอกให้คนเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยแปรี้ยวโขงสร้างลาภฐานมันก็ดีขึ้นมันจะเป็นนิสัยเถิงเวลาเฮ็ดแล้วมันกี็เฮ็ดเถิงเวลาทำแล้วมันก็ทำเพราะมันติดได้ครับเขาแอบอย่างใดมันเป็นดังสันคนเขาแอบดีมันดีแอบบ่ดีมันบ่ดีคนเขา ก็ย่อฝึกหัดดัดนิสัยให้เป็นดัดเป็นส่วนให้มันดีมันงามขึ้นมาถ้าหาเขาทุกคนดัดแปลงตัวเขาเรีองซีโครงสร้างของเข า, า, าเังซีพระเนนทุกองคเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อยเบิ่งเจ้าญาตโยมทุกคนเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อ ย, อยเบิ่งเจ้ามันมีความละอายถ้าหาเขาบริสทธ์บุทันขับมู่ ที่อยพอวานี่อันนี้มันเป็นแบบแผนเปียกให้ฟังว่าบ้านหลังใดจ้างซ้างเขามาออกแผนให้ <c oughs> แล้วก็จ้างนายซ้างมาเบิ่งดูแผนนั้นมักแล้วเ น, นี้ต้องทำรถคันบ่มักนายซ้างผู้ออกแผ่นก็แต้มใหม่อีกเติมเขาคิดเงินกันว่า ผมบู้จักแต่กรอนไปอยู่กรุงเทพโดยบูรหุจักอาจารย์ที่ต่า ง, ง่าโอ้โหงสร้างมันเป็นยังไีเดีสร้างโค้งบ้านเฮามีแต่ปลูกบ้านแตงเฮือนได้เสาไม่แล้วก็ฝังเสาให้มันแ น, น่นแล้วก็เอาไม้ข้าวไม้คางมาตีแท้มันแ น, น่นบ้านหลังใดขันบกฝังเสาดีกระเนิงดือดเดีดดดดดดยดกับได้ปลูกใหม่แปลงใหม่เนี่ย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 คันวาสาเร็จกะหม่ยเถึงคือ เ, าเอาเพชรเอาทองคำจมด้วยในตมในโคนพุ่นมาลอนออกให้เป็นเพชรล้วนๆเป็นทองคำล้วนๆเอาไปขายราคาดีคือกันจะเพชรอยู่ในตมในโคนพุ่นทองคำอยู่ในตมในโคนพุ่นอันนั่นก็ดีคือกันแต่บเอาออกมาใสอันเฮาโบาเอลออกมาใสคือเฮาบ้าจากคนดีความงามของเฮา คือเฮาหู้จักคุณค่าของเฮาให้หมดใจเฮาหู้จักจะแบบโลกโลกพูดเห็นมาว่าอย่างให้กูเก่งนี่มันว่ากูดีนี่กูเรียนมาแล้วแหน่ผิดแล้วคน่าคนได้รู้ธรรมะแล้วเสื่อฝังคนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเคารพสถานที่อย่างสถานที่ของเราคนมาเบิ้งหน้าเคารพก็ถือเคารพโลก น้านับถือรอดแต่ความจริงข้าเจ้าก็เห็นขคารบนับถืออันนี้มันเป็นภายนอกเพื่อนเฮาหู้จักธรรมะแล้วขคาลบนับถือไหว้ตัวเองที่เดชผมยกมือไหว้ตัวเองได้ตอนเศราครับเพราะผมรู้จักเรื่องนี้มีหมาวาสู้มู่สู้เพื่อนฝั่งพยายามข้จริงๆ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 อย่าเอานิสัยเดิมๆมาเอาอย่าเอานิสัยเดิมๆมาคิดเป็นคนพูดมากทำมากลักการลักงานอันนี้เป็นวาลักลักไปวักคิดถึงบนเร่ลักผู้หญิงบนเรื่อลักผุ้เหนื่อยผู้มาลักการลักงานลักเวลาลักหน้าที่อันนี้จว่วัดถึงเวลาค่ะต้องคิดถึงรถสิ่งอื่นๆเอาไว้สักอนเอาให้มาขอแล้ว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 มองบ่เห็นด้วยตาเห็นด้วยตาทิพย์พจอ น, อนวัตรทิพย์พระจักรสูตาทิพย์พจนอ์นทิพย์พระจักรสู่ันวันนี้จักหุอิ น, อ น, อนรีพจน์ต้างว่าถ้าหากปราญาติโยมทำดีพูดดีคิดดีเดีวเขาเอิพ่พระทำพระทาการพระทำงานพระพูดพระคิดเดยวเอิญพระทา ถ้าส่งผู้เสื้อฟังคำสอนของพะระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่เราเป็นพราส่งโดยส ม, มุติันถ้าแท้แท้ด้านนี้นอยู่ในใจของทุกคนเลยที่ผมว่าฟังแล้วบางทีแลรวจำได้โลดอันนี้เป็นการฝึกหัดดัดมิตใสสันดาลของเราให้มันดีขึ้นเมื่อเราดีแล้วนะ่ะไปไซตก็มีคนอยากได้อยากพบอยากเห็น่นคนว่า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 คนมีผู้มาพบเห็นไอเฮานี่แหละเห็นกันนผู้อื่นแล้วบัดนี้ญาติโยมมาจากข้างนอกมาเห็นอ้น่าเลื่อมใสเว้ยพระเนอยูทับมีขวดแหนกเจะว่าเอ็นบนนมนผู้นั้นผู้นี้เด้คือกันเลยบนนั้นผู้นั้นเฮ็ดจังสันผู้นี้เฮ็ดจังสีนก็ไปกันไปงางกับกัเตะแข่งเตะขากันไปสนระโว่กันงางกัน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 แล้วกำมาเดินจมก้มมาเดินจมก้มเมื่อมาเดินจมก้มพอสมควรแล้วได้เวลาทีละครั้งแล้วเขากลมาทีละครั้งพร้อมกันแล้วก็ทําวัดทําวัดเสร็จแล้วเพิ่งก็ บ, บอกเขาอบรมเขาเสนอสัตยเมื่ออบรมดีแล้ว ก็นำไปปฏิบัติฟังคำแนะนำเพิ่นเมื่อฟังคำแนะนำเพื่อแลรวก็จำได้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องนอกตัวจิตใจนั่นเราต้องพยายามเบืงเบิง้งจิตใจมันคิดยังไงก็ต้องเบิงมันคิดให้มันคิดดีให้มันทันเหตุการณ์ของมันอันนั้นเป็นการปฏิบัติทางจิตทางใจนี่เป็นวา ย, ยางตัน